ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังท่าไหร่แต่ลมพระโพธิญาณกำลังนำเสนอมาถึงปถมเทศนาคือพระธรรมจั ก, กรวัฒนสูตรอย่างที่ได้บอกไว้ในวันก่อนว่าตามปกติแล้วพระสูตรเนี่ยจะ ขึ้นต้นด้วยคําว่าเอวเมสุตังอันข้าพเจ้าคือพระนลเทระได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่นั้นที่นั้นแล้วก็ทรงประรุ่งรื่องอย่างนั้นอย่างนั้นเราจะแสดงธรรมะมีข้อความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไงเนี่ยท่านก็จะสรุปไปปว้ตอนข้อความนําตอนต้นเนี่ยกับข้อปิดปิดประพูดในตอนท้ายเนี่ยไม่ใช่พระบาลีประวัตนะเป็นคํากล่าวของพระนน การในท่ามกลางพระลรหัน์ได้ร่วมกันสังคายนาตั้งแต่ครั้งแรกกันนะฮะแล้วก็สังคานาครั้งต่อมาก็สืบต่อไปในลักษณะนั้นแต่ว่ายัางหมายถึงเมียเนี่ยยังหมายถึงธรรมะพระอนุนอยู่นั่นเองแต่ว่าพระสูตรนี้เนี่ยมันขึ้นต้นด้วยคําว่าลูกกรพิสูตรทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้อันบัญไปชิดไม่ควรเสด อย่าลืมว่าสอนบนรรพชิตเพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นนักบวชแล้วก็เป็นนักบวชประเภทภิกษุคือนักบวชประเภทภิกษุที่จริงมันก็มีกฎพุทธการแต่ที่เคบอกไว้ในวันก่อนโน้นนะว่าพระโพธิสัตว์เองก็พอประไทำในเพศของภิกษุรือเทวทูตชุดที่เสียข้อที่สี่กลุ่มที่สี่นะฮะแล้วก็เมื่อเสด็จออกพนมก็เลือกเพศอย่างนั้น หรือเพศของภิกษุปันโน้ตีมวดบวชโดยเสด็จก็ถือเพศเดียวกันคือเพศภิกษุโดยแก่กำรมาภิกษุในสมัยนั้นหมายถึงพูดเที่ยวไปเพื่อก้อนข้าวหมายความเป็นนัก บ, บวชประเภทเที่ยวพิคขาจาร์คือขออาหารตามบ้านของชาวบ้านแต่ว่าไม่ขอแบบจุนจ้านนะกระเที่ยว เป็นนิย่าให้รู้ว่าท่านต้องการอาหารแต่ชาวบ้านต้องการจะสงเคราะห์ท่านต้องการจะทาบุญกับท่านก็ให้ได้ก็อบอก่ายท่านก็เดินไปได้ด้วยแต่ว่าพิกษุสมัยก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเกิดนั้นบอกว่ามันมีคือบาทเนี่ยมันมีฝามันก็จับที่ขอบบาทแล้วก็ยื่นมือไป มือที่ถือบาทยยื่นไปข้างหน้าคนก็ค่อนข้างใกล้ใกกับขอทานแต่คนจะให้หรือไม่ให้เนี่ยท่านก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าเมื่อพระเรานํามาใช้เนี่ยเราใช้คําเฉยๆแต่ว่ารูปแบบมันก็ต่างกันออกไปคือเดินอุ้มบาทหรือสะพายบาทก็แล้วแต่ก็เดินไปเรื่อยๆ แต่ว่าเขาเรียกว่าโครจะระคามคือสถานที่ที่เที่ยวไปบินทบาทเน้มันก็ต้องรู้ว่าไปที่ไหนจะได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ว่าเดินไปเรื่อยๆโดยไม่ได้ดูทิศทางอะไรแต่ไหนก็ไปเพื่อจะให้ชาวบ้านได้มีโอกาสทำบุญแล้วก็ตนเองก็ได้รับอาหารมาเพื่อยังอัตภาพไปเป็นไปแั้คนถ้าเราเรียกนิมนวนะฮะใช้คำว่าพระมาโปรดสั แต่ใช้คำนิมนวนยกย่องแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเที่ยวเข้าไปสู่บ้านเพื่อก้อนข้าวแต่พิสูจมันก็มีความหมายความหมายหนึ่งที่แปลว่าผู้เห็นภัยในสังสารวัตรหมายความว่าคนเหล่านั้นศึกษาประพฤติปฏิบัติไปเพราะตอนข้าบวชเนี่ยมันมันไม่ เ, เกณฑ์อะไรคือทัานบวชตามความเชื่อถือของท่านนั่นแหละ เพราะว่าพระอรหันต์ระดับเอตตะคะ40รูปเนี่ยที่จริงถ้าเราศึกษาภูมิหลังของท่านเนี่ยท่านไม่ได้บวชมาได้เจตนาที่ศรัทธาทั้งหมดทุกรูปหรอกมันเป็นการปรับสภาพตัวเองในตอนหลังคือหลังจากบวชแล้วแล้การศึกษาอบรมไปแล้วเรือได้ผ่านการปฏิบัติไปแล้วคือบางทีมันก็ไม่เคยรู้อะไรอะอย่างที่ พยายามมิลินถามพระนาสเสเนี่ยว่าภิกษุมีบวชเพื่ออะไรบวชเพื่อทำนิพพานให้แจ้งเราถามว่าพระคุณเจ้ากขาบวชเพื่อทำนิพพานให้แจ้งด้วยแต่ตอนนั้นที่จริงท่านเป็นพราหันแล้วแต่ท่านไม่ตอบตรงๆท่านบอกว่าตอนนั้นอันตมาภาคยัยงเด็กอายุแค่เจ็ดขวบแต่ น, นั้นเดงแต่คิดว่าโสมณาสกิยบุตรเนี่ยคงจะให้อะไรดีๆแกท่านได้ท่านก็บวชคือไม่ได้บอกโดยตรง เพราะความเชื่อเหล่านี้มันก็ปรับเปลี่ยนในตอนหลังก็ทําให้เราเห็นว่าการบวชเป็นพระในบวชเพื่อรับการฝึกษาศึกษาอบรมหรือฝึกปรืออบรมแต่เราจะมองไปที่การศึกษาอบรมคําว่าศึกษาในกรอบของพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้ทางภาษาสัมผัสเพียงอย่างเดียวนะฮะแต่หมายถึงการปฏิบัติด้วยเช่นคําว่าสีและสีขาคือศึกษาในเรื่องสีเนี่ย เราต้องปฏิบัติไปตามศีลคนนั้นด้วยเ น, นปนาณาธิปาตากมดเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยมันก็เป็นมีดขึ้นไปเรื่อยๆจากไม่ฆ่าเองไม่ใช้คนอื่นฆ่าไม่ยกย่องสนรเสริญผู้ฆ่าแล้วไม่ยินดีในสิ่งที่ได้มาด้วยการฆ่าแต่ว่ามันไม่ได้คิดมากไกลมากอนะ่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่สังเกตสงสัย ก็ถือว่าจบกันแต่ถ้าเกิดได้หินได้ยินนักเกียสงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อท่านเนี่ยคนที่มีศีลประนีตเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับประทานถ้าเป็นพระก็เรยยเรยวว่าไม่ยอมฉันนั้นก็แสดงว่าจิตใจของนั้นก็ประนี่ขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเมื่อท่านเข้ามาศึกษาอบรมเราจะไปคาดหวังไปฉีดเส้นโครมลงไปเลยนะฮะ ว่าพระนั้นคือผู้สละแล้วโดวยประการทั้งปวงเนี่ยมันก็มากไปหน่อยเป็นการละเลยข้อเท็จจริงว่าปัญหาสำคัญว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรความจริงที่แท้จริงในกรณีนี้คืออะไรก็คือผู้สแสวงหาทางที่จะทําตนให้พ้นจากความทุกข์และการศึกษาการบัตรนั้นในการต่อมาเราจะเห็นว่าก็วางเป็นขั้นขั้น คำว่าศิาบทเนี่ยแปล ว, ว่าก้าวของการศึกษาก็พัฒนาไปเรื่อยนะฮะก็แล้วแต่ว่าจะก้าวไปได้ขนาดไหนก็นตามมันไม่ใช่เป็นการสร้างบุคคลสําเร็จรูปแต่เรื่องการฝึกปลืออบรมการฝึกปลืออบรมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วพระเจ้าเองก็เคยรักสั่งแก่นายเกสีกับนายเกสีซึ่งเป็นสารถีที่ฝึกม้านะฮะ ก็เป็นยอดของสารถีที่ฝึกมาพระยารับสั่งถามว่าเธอมีวิธีฝึกยังไงแต่ก็บอกว่าก็มีอยู่สองวิธีวิธีหนึ่งก็หยาบเลยแล้วก็ตามไปละเอียดวิธีที่สองละเอียดได้เลยแล้วก็ถามมาถ้ามันมีไหมที่ม้าที่ฝึกไม่ได้ท่านก็บอกว่ามีแล้วทํายังไงกับม้าที่ฝึกไม่ได้ก็บอกว่าต้องฆ่าทิ้ง พราะงั้นมันเสียสํานักเสียชื่อสํานักอาจารย์ทนายเก่ศศรีก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ในฐานะที่เป็นสารถีฝึกคนเนี่ยพระองค์มีวิธีฝึกยังไงการับสั่งว่าเบือนใี่ถึอฝึกอย่างละแต่ถามว่ามีไหมคนที่ฝึกไม่ได้เนี่ยพุทเจ้าก็บอกว่ามีแต่พระองค์ทำยังไงคนที่ฝึกไม่ได้ก็บอกว่าฆ่าบอกว่าการฆ่ามันควรเหรือท่านเป็นสมณะ จะไปฆ่าหนึ่งคนเลยผู้วิจัยบอกว่ไม่ใช่ฆ่าอย่างนั้นคือหมายถึงว่ายุติการสอนยุติการฝึกปลืออล้มอบรมเพราะมันทําไม่ได้ก็คือไม่ทำมันีมันไม่จะทําได้ทั้งหมดทีนี้คําว่าบรรปะชิตเนี่ยมันก็เป็นคําเก่าเป็นคําโบราณที่เรามาใช้เราเห็นว่าบรรปะชาเนี่ยที่ยิงก็มือกัรรมปะชิดแม้แต่บวชเนี่ยก็สั์เดียวกับบรญปะชิตคำว่าบวชแปลว่าเว้นรอบเว้นทั่วนฮะ หมายความว่าเบ้นจากบาทนั่นเองเป็นอุบายวิธีอย่างหนึง่งที่จะสลัดตนออกไปจากบาปในแง่ของโครงสร้างสังคมเนี่ยในแง่าโครงสร้างสังคมท่านถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิดคือมนุษย์เนี่ยอย่างอย่างอย่างน้อยที่สุดในสมัยโบราณนในฐานะที่เป็นลูกของพ่อแม่เนี่ย เกิดมาอาศัยพ่อแม่เกิดอาศัยพ่อแม่อยู่จะเริญเกินโรมาก็ต้องยิ่งดูพ่อแม่เป็นลูกหลานกันอยู่ในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมคือทำยังไงให้มีน้ำใจต่อสังคมโดยการให้ทานจะแนวอนุเคราะห์แนวสงเคราะห์หรือแนวบูชาก็าตามทีนี้สมัครตนเองที่ต้องรับผิด ช, ชอบต่อ พติกรรมต่อสังสารวัตรต่อ ก, กรรมกับต่อสังสารวัตรของตนเนี่ยคือมันควรจะเว้นบาปแตนี้การเว้นบาปเนี่ยบางทีก็ไม่จําเป็นจะต้องอาศัยโครงสร้างของนักบวชเพราะว่าโดยเนื้อหาสาระจริงๆก็คือการสํารวจระวังทางกายทางวิชาทางใจไม่ทําบาปไม่พูดบาปไม่คิดบาปก็เท่านั้ น, เ, นเครื่องแบบมันเป็นเครื่องแบบเฉยๆ เป็นเครื่องแบบที่มันทำให้สะดวกสบายในการคลองเพศตัดภาระเครื่องกังวลต่างๆเรยเจนว่าทั้งหมดนี่มันเป็นเป็นรูปแบบแต่เนื้อหาจริงๆเนี่ยอยู่ที่การละบาปได้ปังโครงสร้างของบรรพชิตเราเนี่ยที่จะทรงแสดงไว้ตั้งแต่เริ่มเทศไปเจ็ดเดือนนั่นแหละคนัหิปะปะยิโตป ร, รุประขติสุปโนุโคติปลังเวเทยันโตในอวตาปฏิโมก ไปพระคู้ค่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าบรประชิดไม่ชื่อว่าสมณะเลยเพ่แสดงว่าบรประชิดนั้นจะต้องไม่ฆ่าจะต้องไม่เบียดเบียนแล้วเรียชื่อยังหนึ่งก็ในที่นี้ไม่ได้เรียกนะแต่ว่าในที่ดรองก็เรียกว่าสมณะคือผู้สงบผู้สงบเป็นอาการของการเว้นบบเป็นอาการสงบที่เรียกสันตะาโยสันตะวโยสันตมโนมีกายสงบมีวาจาสงบ มันก็เกิดจากใจที่สมบูแต่จากการสมบูรณระวังนั้นจนเข้าถึงใจก็อาศัยโครงสร้างนี่แหละโครงสร้างของศีลสมาธิปัญญาเนี่แหละทีแนวของบันปิชิตเนี่ยบันก็คือต้องเวทบาตแต่นีการกระทำอย่าลืมว่าเป็นการแสดงแก่ทักบวดไม่ใช่แสดงแก่ชาวบ้านตัวไปชาวบ้านมันก็ลดเพดานลงมานะ รถเปดานลงมาเราจะเห็นว่าในในตรงนี้ท่านในแง่ของชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ว่ากันเพราะว่าพูดถึงระดับระดับเกี่ยวข้องระดับมีเพศสุมพันธ์พูดพูดพูดเกณฑ์ค่อนข้างสูงหือพูดง่ายๆว่าอย่างน้อยที่สุดมีสีลขออ้ออภรรมแหละสําหรับนักบวชที่ถือพรหมจรรย์ประเภทประเภทศีลขออ้ออภรรษขึ้นไป ก็นเนจนบวพาะบัณฑิตแล้วก็พูดว่าไม่ควรเสพไอ้คำว่าเสพนั่นยังฟังยากเงน้นนะอาจจะใช้คำว่าไม่ควร ป, รปฏิบัติไม่ควรประพฤติปฏิบัติก็ได้นั่นก็คือคือการมาสุขการในการนมโยกการประกอบตนให้สนุกสนานเพลิดเพลินด้วยแสงสียละวิจิตเนี่ย แ, แบบสังคมบริโภคพวกวัตถุนิยม คือจะเห็นว่าอินเดียในยุคนั้นเนี่ยมันก็สุดขั้วนะคือถ้าเราดูกันจากที่ต่างๆแล้วก็สุดขั้วเลยในขณะที่คำพีพระเวสก็พัฒนาขึ้นไปแยกคำพีพระเวสพระพุทธศาสนาพัฒนาขึ้นไปถึงนิพพานนะฮะสายนี้ก็สายสายวัตถุนิบเนี่ยก็ไม่เบานะมันมีตามากามาสูรเลยมันมีการมากรรมาการแสวงหาความสุขในทางเนื้อหนังกัน มั้นเป็นรูปเขียนเป็นจิตกรรมเรียบเรียงเป็นตำราแล้วสืบต่อกันมาู่ถึงปัจจุบันเนี่ยเราจเห็นว่าในส่วนต่างๆของโลกเวลเนี้เอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษกันนะก็เรียกว่าสุดขั้วไดยกันหมายความว่าซ้ายก็จัดขวาวก็จัดวัตถุนิยมก็จัดมุ่งสแสวงหาความสุขทางเนื้อหนังมังสากัน นบางครั้งก็เรียกว่าสำลักนะเราลองนึกว่าคนระดับเศรษฐีอย่างยัสกุลบุตรเนี่ยมันมีสาวสารกำ น, นันในเหมือนก็ัราชวังวรปรือด้วยดนตรีส่วนมากก็เรียกว่าดนตรีมีองค์ห้านะคือประปรในดรูปด้เสียงด้วยกลิน่นด้วยรสด้วยสัมผัสแล้วก็เป็นการพูดถึงถ้าพูดถึงอตมนานของพรามจริงๆนะะ เราก็เึือกไม่ออกนะเอาคนที่ไหนไปเกิดเป็นเทพธิดามากมายอย่างนั้นยังในคำพีเราเรื่องคำภีพระมาลไยเนี่ยแล้วมาอ่านมาตั้งแต่สมัยเป็นเนนเด็กๆกันนะเด่นอายุขนาดสิบหกคือเจนะ็ดเนี่ยนะเคยอ่านอ่านได้หน่อยเดียวแล้วก็รู้สึกมันงุกงิด ก, ก็ไม่ได้อ่านได้อ่านไม่ตลอด พระศีเรียมเมตรัยเนี่ยมาเฝ้ามาถวายบังคมพระจุลาเมนีเจดีสวรรค์และมาพระโกรมาลัยเนี่ยสาวสารกับ น, นันนายบริวารห้อมล้อมเนี่ยนะท่านพัรนาไว้มันมากจนจนนึกไม่ออกนะว่า ม, มีไว้ทำอะไรสีโกธกสีทีเนี่ยมาความมาห้อมล้อมทั้งหน้าทั้งหลังด้านละสีโกด สี่โกดกสี่ทีหมายความม่าหน้าสี่โกดหลังสี่โกดข้างสี่โกดด้านด้านมาสี่โกดเราลองนึกดูสี่โกดโกดหนึ่งถ้าเป็นสิบล้านสี่โกดก็สิบหกล้านแล้วก็สี่มงโกดสิบหกเรานึกดูมันมากมายด้วยนะมันประชากรต้องเป็นประเทศประเทศอ่ะทําไมมันมากมายอย่างนี้ มันก็ล่อใจคนที่สนุกสนานเพลิดเพลินในทางการรมคุณเนี่ยได้แต่จริงนี่ที่จริงถ้าเราเข้าสู่สถานาการณ์จริงนนะฮะเพราะคนคนหนึ่งไปอยู่กับเทพธิดาเป็นร้อยๆอย่างนี้ยั่วเยียมไปหมดเลยมันก็ามงูนอนน่ะมันไม่ภาพชีวิตมันสนุกหรอแต่ว่ามนุษย์เวลาผู้ตัณหาเกิดขึ้นเนี่ยมานะเกิดขึ้นที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่มอง นะแบบพระปัญญาวคีเนี่ยปัญญาวิเครียดเราใจน่าทิฐิเก๋ท่านก็ไม่มองในแง่มอุมอื่นนะอันนี้มันก็ตัญหามันเกิดเพราะตัญหามื่เกิดมันก็หน้ามือคือไม่ได้มองโดยเหตุดยผลอะไรและแม้แต่ตาหารุ่นหลังของเรานะไม่ไม่จะคือว่ารุ่นหลังนี่ไม่ได้ปรากฏในระดับพระบาลีเคยเคยเจอในระดับปัญจกถทาระดับบาลีไม่เคยเจอนะฮจะถือว่าไม่ปรากฏก็ไม่ได้บริอ่านไม่หมดทุกตัว บริวารของพระโพธิศัตร์เนี่ยสาวสารกรรมามายหกหมืนเนี่ยเรานึกตึงว่าหก0มื่นคนเป็ น, นำ อ, อำเภออำเภอยังไม่ได้เลยหก0มื่นนี่นี่คือคือคือมันเกินเหตุเกินผลไปแต่ว่าแสดงถึงการปนปืแล้วคนทุกนั้นคนก็ไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่นั่นคือเรามองเหตุผลในแง่มุมของประวัติศาสตร์ว่าเป็นสังคมที่ยั่วกันด้วยในนามังสาีิมาก จะทำให้การปฏิบัติพรหมจรรย์บางอย่างเราเชื่ว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องต่านีเาเน้เช่นเช่นลัทธิลัทิตันตระตันตระของพราหมณ์เนี่ยมันก็เน้นไปทางสุขสัมผัตนนแบบสนน ต, ต่างเนื้อหนังแบบสังคมบริบทปัจจุบันเนี่ยมันก็เน้นถึงบาถึงผาต่างๆเนี่ยมันลักษณะอย่างนั้นมันก็มีอะไรล่ะ เรียห้ามอมอหนึ่งก็คือปลามั ส, สยยาก็คือคือเนื้อปลาหมอสองก็คือมังสะก็คือเนือ้อเนื้อสัตว์แล้วก็ไมรยะก็คือสุราแล้วก็สี่ก็คือมุธระก็สาวสรนนี่ไร่ลำนึกถึงบลานึงถึงผับนึก ถ, ถึงอะไรต่ต่างๆเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วก็ไมโุนะคือมีเพศสจำพันธกันไดเกับคู่มีเพศสจมพันธ์กัน ก็เป็นเรื่องไปภาพชีวิตที่มันมันสำลักนะกูปู้ปปง่งยว่าอยู่กันจนสำลักไลยต้องหนีภาพเหล่านั้นพระพุทธสาสนาเองอยู่ในปราสาราชวังก็ตอนที่เสด็จออกมันก็เจอภาพในลักษณะนั้นทีนี้ท่านปันเดขีเองแล้วไม่ให้รายละเอียดนะว่าครอบครัวของท่านเนี่ยมีลูกมีเมียกี่คนเนะแต่ก็คงมีครอบครัวอยู่แล้วทั้งนั้นเพราะว่า เราดูท่านัญญากรณ์ธัญญาท่า น, น, นากนณ์ธัญญาตอนนั้นเนี่ยนะอายุก็ไม่น้อยกว่า56แล้วนะครับตอนพระพุทธเจ้าประสูติเนี่ยท่านก็เป็นพรามรรมาทำนายลักษณะตอนนั้นพระพุทเจ้าพระชนมายุพระชนบัญสา36ย่าง36เอามาคิดมาบวกกัน20ก็แล้วกันมัน ก, ก็ได้56อา จ, จะถึง57ได้ที่ซ้ำ มันก็แสดงว่าผ่านการมีครอบครัวมาแล้วตรง น, นี้ตรงชี้ประเด็นเนี่ยจะเข้าใจง่ายกรมรีที่เราคุ้นๆฮินโนขโมปูโตจินิโกนริโออนัตสันนิโกเหตุผลคืออะไรเหตุผลนั้นเป็นการชี้เจาะจงที่ปัญญาวกขีเขาเข้าใจได้ง่ายฮิโนคือเป็นของต่ำการกินนอนกลัวเนี่เป็นของสาธารณะทั่วไปแกสัพสัตต์ทั้งหลาย ตัวนอนตัวเหนื่นเนี่ยมันมีคู่ทั้งนั้นน่ะนะคือมีเพศสัมพันธ์กันทั้งนั้นเป็นของสาธารณะทั่วไปแก่สัตว์โลกทั้งหลายแล้วก็ดึงจิตปัญญาของมนุษย์ให้ตกต่ําลงไปด้วยในขณะเดียวกันก็คมขโมูมโมก็เป็นเรื่องของชาวบ้านชาวบ้านนี่ไม่ได้ว่ากันนะนะชาวบ้านมันจะพุ๊อีกระดับนี่ โดยเห็นว่าชาวบ้านจะพูดระดับของศีห้าอย่าล้าขนาดศรีห้าก็แล้วกันถ้ายังอยู่ในกรอบศรีห้าคือไม่ละเมิดสิทธิในครอบครัวของกันการมีเพศสัมพันธ์มีลูกมีเต้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรเหมือการพู้คนระดับแต่อย่าลืมว่ากรอบเนี่ยมันก็อยู่คือไม่ตกเป็นทาสของกามากุศลมากเกินไปตรงนี้ก็พยายามสลัดตนให้ออก จากการมคุณก็เห็นว่าเป็นเรื่องของชาวบ้านเราเป็นนักบวชแล้วตอนเนี้เป็นบรรพชิตแล้วทางต่างห้านั้นเป็นนักบวชแล้วนั่นเนเรื่องชาวบ้านพระเจ้าไม่ได้ไปเสดในฐานะชาวบ้านนะไปิเสธในฐานะของนักบวชว่าบรพาบาา ร, รพชิตไม่ควรเสดไม่ได้พูดภาษาบ้านไม่ควรเสดผู้เราบรรพชิตไม่ควรเสดแล้วก็เป็นเรื่องของปุถุชนปุถุ น, นี่แปลว่านาหมายความว่าชนที่มีกิเลส ต, ต้องหนา การมีครอบครัวการมีคู่ครองเนี่ยก็เรียกว่าต้องมีกิเลสมีอารมณ์ที่กระตุ้นพวกราคะพวกโลภะ พ, พกอะไรต่ออะไรเนี่ยการคลองเรือนมันก็ต้องมีอารมณ์อย่างนั้ น, นถ้าไม่มีอารมณ์อย่างนั้นมันก็คลองเรือนไม่ได้เกิดสภาพบ้านแตกเกิดสภาพด่าด่าร้างเกิดการนอกใจกันอันนี้เป็นงานวิจัยนะ เราจะพบว่าเอกสารต่างๆเขาวิจัยในเรื่องแบบนี้เอาไว้เนี่ว่ามนุษย์ี่มันจะให้ความต้องการในเรื่องเพศสูงจุดบางครั้งบางข่าวก็ล้ําเส้นทินทามไปคกบชู้ไปมั่วถุ่มกันวุ่นวายไปหมดเลยแก้ไม่ได้หรอกโลกมันก็เป็นอย่างเงี้แต่ตยังไงจะบรรเทาลงไปได้เพราะงั้นก็ให้มงองในแง่วันนี้เป็นเรื่องชาวบ้านเขานะไม่ใชเรื่องของพระไม่ใช่ของพระอริยะ อริยะแปลวผู้ประเสริฐนะแปลว่าสุ่ผู้ประเสริฐสูงสุดก็ขึ้นไปได้โดยลําดับอริยะโดยเผ่าพันธุ์ก็มีนะอย่างพภูติเจ้าเป็นอริยันโดยเผ่าพันธุ์เนี่ยแภูติเจ้าเป็นอริยะโดยธรรมคือเป็นอริยะโดยการสัสรู้ธรรมเป็นการเน้นที่ความสมบูรณ์ของปัญญาความบริสุทธิ์แต่ว่าการอยู่ด้วยกรรมคุณเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเป็นผู้ประเสริฐได้แล้ว แต่สมับปุถุชนผู้คลองเรือนก็ไม่ว่า ก, กันก็เป็นเรื่องของเขาอันนี้ก็เป็นคำสอนแก่บรรพชิตต้องฟังทั้งหลายแต่โรงปรพุทธาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นงรนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ้อกงาไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดูทั่วกันสวัสดี